อีกพวกหนึ่งตั้งตนไว้สูงตั้งคนอื่นไว้ ต, ต่ำต่ํากดคนอื่นไว้ต่ำมากตัวเองนี่สูงอย่างเดียวแล้วก็มีใจผูกพันกันอนธะิบายว่าบุคคลเมื่อตั้งตนไว้สูงตั้งคนอื่นไว้ต่ำเชื่อว่ามีจิตผูกพันโดยถ้อยคําอย่างนี้ว่าฉันนี่มีอุปการะมากแกท่านทั้งหลายท่านทั้งหลายอาศัยฉันนะจึงจึงถึงพระพุทธเจ้าเป็นสารณะเนี่ยนะพวกพวกพว ก, พวกนี้มีสาระคมกับพ่อเรานี่แหละ ว, ว่างนนะั้นนะก็เลยถือว่าตัวเองนี่สูงส่งมาก ว่าเข้านะพะมีเรานี่แหละเขาจึงถึงพระพุทธเจ้าเป็นสารณะถึงพระธรรมเป็นสารณะถึงพระสงฆ์เป็นสารณะเขางดเว้นจากปานาติบาตอธินาทานกามีสุมิชฌาจารมุสาวาตเว้นจากการดื่มน้ําเมาคือสุราและเมรยัยอันเป็นที่ตั้งแห่งประมาทฉันก็แนะนําสั่งสอนเขาทั้งนั้นแหละฉันบอกบาลีบอกอัตถกถาบอกศีลบอกอุโบสถแก่ท่านทั้งหลายเพราะฉะนั้นฉันย่อมอธิษฐานนวกรรมที่ฉันก่อสร้างทุกวันก็ทําเพื่อท่านนั่นและ เมื่อเป็นอย่างนี้ท่านทั้งหลายจะสละท่านทั้งหลายยังสละชั้นไปเคารพสักการะบุคคลอื่นอีกหรือเนี่ยนะแม่พูดไปพูดมาพูดทั้งหมดพูดแล้วจะได้พันหนึ่งกับเก่านั่นเองใ น, นว่าอะไรหรอกนี่แหละก็ได้ว่าเมื่อบุคคลเมื่ออนุเคราะห์มิตรและคนผู้มีใจดีย่อมทําประโยชน์ให้เสื่อมไปย่อมเป็นผู้มีใจผูกพันสรุปว่าภัยทั้งหลายก็ติดตามมาถ้าถ้ามีใจอย่างนั้นภัยทั้งหลายตามมาภัยคืออะไร ภัยคือชาติภัยชราภัยพญาทีภัยมรณะภัยราชภัยโจรภัยอัคขีภัยอุทกภัยโอยภัยเยอะๆเลยนะภัยคือการติเตียนตัวเองภัยที่เกิดจากผู้อื่นติเตียนภัยคืออาทยาภัยคือทุกขติภัยคือเคลื่อนภัยคือจรเข้ภัยคือวังน้ําวนภัยคือฉลามร้ายภัยที่เกิดจากเครื่องแสวงหาเครื่องบำรุงชีพภัยที่เกิดจากความติเตียนภัยที่เกิดจากความ ขั้นคร้มบริษัทเหตุที่น่ากลัวความเป็นผู้ขั้นคร่ำความเป็นผู้มีขนลุกขนพองความที่มีจิตหวาดเสียวความที่จิตสะดุ้งนี้เรียกว่าภัยภัยเหล่านั้นเกิดจากสันธวะคือความสนิทสนมนั่นเองสนิทสนมด้วยตันหากับด้วยอำนาจของทิฐิเมื่อเห็นภัยที่เกิดจากความสนิทสนมแล้วพึงเที่ยวไปแต่ผู้เดียวดุด นอแรเนี่ยนะให้เที่ยวไปด้วยอริยมรรคอันประกอบไปด้วยองค์แปดด้วยนอแรดฉะนั้นดุจนอแรดฉะนั้นอีกเรื่องหนึ่งนะคาถาที่สี่คถาที่4ในการก่อนพระประเจกพระพุทธเจ้าสามองค์บวชในศาสนาของพระพุทธเจ้าพระนามว่ากัสสปะ ท่านเหล่านี้ก็บำเพ็ญขตะปัจจารตะวัดสิ้นสองห0ื่นปีอุบัติในเทวโลกเคลื่อนจากเทวโลกแล้วก็มาเกิดเป็นหัวหน้าในราชตระกูลกรุงพาราณสีสองท่านนอกนี้ก็เกิดในราชตระกูลในปัจจันต์ตประเทศทั้งสองนั้นเรียนกรรมฐานสลาราชสมบัติบวชเป็นพระปัเจ ก, กพุทธเจ้าโดยลําดับไปอยู่ที่เงื้อมนันทามูลกะ วันหนึ่งท่านก็ออกจากสมาบัตรละลึกถึงว่าพวกเราทํากรรมอะไรจึงได้บรรลุโลกุตระสุขเหล่านี้พิจารณาอยู่ก็เห็นเจริยาคือข้อปฏิบัติของตนในอดีตชาติสมัยพระพุทธเจ้าพระนามว่ากัสสปะแล้วก็ระลึกต่อไปอีกว่าคนที่สมอยู่ที่ไหนก็เห็นคนที่สามกำลังเสวยราชสมบัติอยู่ในกรุงพาลณสีคืออดีตชาตินี้เป็นพระพิสุทธ์สารูปที่รักกันมากสองรูปบรรลุเป็นพระประเจกแล้วหรืออีกคนหนึ่งคิดถึงเพื่อน ก็เลยระลึกถึงคุณของคนที่เป็นหัวหน้าไอ้ที่จริงไอล้ลูกศิษย์นะลูกศิษย์บรรลุหมดแล้วเหลือแต่อาจารย์เท่านั้นเลยเหลือแต่หัวหน้าหัวหน้าก็เลยบอกคิดว่าเออเขานี่เป็นหัวหน้าโดยปกติพระราชาพระองค์นั้นถึงพร้อมด้วยคุณมีความเป็นผู้ปรารถนาน้ยเป็นต้นทรงโอวาทพวกเราผู้ประพฤติต่ออดทนต่อถ้อยคาพระองค์นิติเตียนบาปเอาเถิดเราจะแสดงอารมณ์เพื่อจะเปลื้องพระองค์ อดีตชาติเนี่ยท่านเป็นผู้มีอุปการะคุณต่อเรามากแนะนำสั่งสอนให้มากน้อยให้สันโดษช่วยเหลือเกื้อกูลเราทุกอย่างอตอนนี้ท่านท่านยังไม่พ้นเลยแต่พวกลูกศิษย์นี่บรรลุมาแล้วก็เลยมีใจอยากจะช่วยอาจารย์สแสวงหาโอกาสอยู่วันหนึ่งเห็นพระราชาพระองค์นั้นประดับประดาด้วยเครื่องอลังการทั้งปวงกำลังเสด็จไปสู่พระราชูเทนีนพระประเจกนั้นก็เหาะไปทางอากาศไปยืนอยู่ที่โคนกอไผ่เนี่ยนไปโคนกอม กไม่ไผ่นี่นที่มันรกทึบที่ประตูพระราชวิทยานมหาชนกําลังแลดูพระราชาด้วยการดูของพระราชาของตนต่อจากนั้นพระราชาก็แลดูว่ามีใครหนอแลควนขวายในการแลดูเราพระองค์ก็เห็นพระปัจเจ ก, กพุทธเจ้าทั้งหลายพร้อมกับการเห็นนั่นเทียวพระองค์ก็เกิดความรักในพระปัจเจ ก, กพุทธเจ้า เหล่านั้นเนี่ยนะเพื่อนเก่าแม้บวดอยู่ด้วยกันมาตั้งสองห0ื่นปีเนี่ยนะพอเห็นเพื่อนเก่าก็ดีใจมากเลยนะพระองค์ก็เลยรีบลงจากคอช้างเข้าไปหาพระปรเจกับพรุทธเจ้าด้วยกิริยาอาการอันสงบแล้วก็ถามว่าท่านผู้เจริญท่านมีชื่อว่าอย่ายงไรพระปเจกับพระุทธเจ้าก็ตอบว่าอาตมาชื่อว่าผู้ไม่เกี่ยวข้องชื่อว่าผู้ไม่เกี่ยวข้องวมางั้ น, นพระราชาก็ถามว่าข้าแต่ท่านผู้เจริญชื่อว่าผู้ที่ไม่เกี่ยวข้อง น, นี่มันมีประโยชน์อย่างไร เป็นนักเลงประโยชน์อย่างยิ่งนะมีประโยชน์อะไรถ้าไม่เกี่ยวข้องมหาบาพิษประโยชน์คือความไม่เกี่ยวข้องนะต่อแต่นั้นเมื่อก็เลยแสดงอุปมาให้ดูว่ามหาบาพิษเปรียบเหมือนบุรุษผู้มีดาบในมือถ้าหากว่าตัดกอไผ่นั้นนะ่ะที่เกี่ยวพันรากลำต้นกิง่งโดยประการทั้งปวงอยู่ดึงมาก็ไม่อาจจะยกขึ้นแม้ฉันใดสมมติว่าถ้าไม้ไผ่ที่มันร้อยรัดข้างบนเต็มที่นะตัดโคนแล้วดึงออกมาที่ยากฉันใด พระองค์ถูกตันหาพายุ่งให้นุ ง, งท้างๆๆ้ ง, ง, งในยุ่งทั้งทั้ ง, ง, งนอกเป็นผู้มีใจเกี่ยวข้องซ่านไปติดอยู่ในตันหาพายุ่งก็ฉะนั้นเหมือนกันนะนะพระองค์นี้มันยุ่งมากเหมือนกอไผ่เหมือนกันเถอะหน่อไม้ดูหน่อไม้นี่สิแม้จะอยู่ในท่ามกลางกอไผ่นั้นก็แต่เพราะกิ่งยังไม่เกิดยังไม่ติดอยู่กับอะไรใครก็อาจจะตัดเอายอดหรือรากออกไปได้ฉนันใด อาตมาไม่เกี่ยวข้องในที่ในไหนเที่ยวไปในทั่วทุกทิศฉันนั้นเหมือนกันเสร็จแล้วก็เข้าฌานที่สทันใดพระราชาดูนั้นแหละก็เหาะลอยไปต่อหน้าต่อตาเลยนะเพราะเป็นหน่อไม้ใช่หน่อไม้นี่มันตัดชึบไปแล้วะนะไม่เหมือนพระองค์เนี่ยโหตัดโคนแล้วก็กระชากดึงมาเถื่อนนะจากนั้นพระราชาก็คิดว่าเรานี่พึงเป็นผู้ไม่เกี่ยวข้องอย่างนี้ในการไหนเนอแหมจะเป็นอย่างนี้ได้ยังไงมั่งนะอยากเป็นอย่างนี้จังเลยเนี่ยนะอยากเหาะไปอย่างนี้บ้างอะ แล้วก็ประทับอยู่ในที่นั้นนั่นแหลพระองค์ก็เจริญวิปัสนาเห็นแจ้งทำพระประเจ ก, กโพธิญาณให้สําเร็จก็ถูกถามกรรมฐานเนี่ยนะก็ผู้อมหมาทั้งหลายก็ถามกรรมฐานว่าทำอะไรเป็นต้นพระองค์ก็เลยตรัสว่าพุ่มไม้ไผ่เกี่ยวข้องกันฉันใดตันหาในบุตรและภรยาทั้งหลายกว้างขวางเกี่ยวข้องกันฉันนั้นพระประเจ ก, กพทธเจ้าไม่เกี่ยวข้องเหมือนหน่อไม้ไผ่พึ่งเที่ยวไปแต่ผู้เดียวดุดหน่อแรก เพราะฉะนั้นก็ดีว่าดูไม้ไผ่เอาก็แล้วกันนะถ้ายุ่งยุ่งยุ่งก็ดูไม้ไผ่กอไผ่ก็กแล้วกันเพามันยุ่งอย่างนั้นแหละอ่างั้นในอัตกถาอธิบายว่าไม้ไผ่กอใหญ่เกี่ยวกายกันฉนันใดความเยื่อใยในบุตรและพระยาแม้นั้นน่ะก็ชื่อว่าคล้องอยู่แล้วเพราะความเป็นธรรมะเย็บวัตถุเหล่านั้นตั้งอยู่ฉันั้นเราเห็นโทษในความเยื่อใยอย่างนี้ว่าเมื่อคล้องแล้วคล้องอยู่แล้วด้วยความเยื่อใยนั้นดุจ ไม้ไผ่กอใหญ่ฉะนั้นแล้วก็ตัดเยื่อใหญ่นั้นด้วยมรคยานที่ไม่เกี่ยวข้องด้วยอํานาจตันหามานะทิฏฐิตัดความเกี่ยวข้องในรูปที่เห็นเสียงที่ฟังเป็นต้นเนี่นะหรือตัดความเกี่ยวข้องในมิจฉาทิฏฐิเป็นต้นตัดความเกี่ยวข้องด้วยอํานาจโลภะเป็นต้นตัดความเกี่ยวข้องในภพมีการมาภพเป็นต้องตัดข้องจากการมาราคะตัดเหมือนตัดหน่อไม้ไผ่ฉะนั้นก็เลยบรรลุเป็นพระปเจกพระพุทธเจ้าน สั่งไยานะอุหมาเห็นไม้ไผ่เมื่อไหร่ก็นึกถึงพระประเจ ก, กันจะว่าเป็นไม้ไผ่หรือเป็นหน่อไม้ดีหนอ้องะในอัธกถาอขออภัยในพระสาริบุตรนิเทศอธิบายให้ฟังว่าพุ่มไม้ไผ่คืออะไรพุ่มไม้ไผ่เนี่ยนะมีหนามมากรกยุ่งเกี่ยวกันคล้องกันคล้องกันพันกันฉันใด ตันหาราคาสราคะความกระยิ่มความยินดีความเพลิดเพลินความกำหนัดด้วยอำนาจความเพลิดเพลินความกำหนัดนักแห่งจิตความปรารถนาความหลงความติดใจความกำหนัดความกำหนัดรอบความคล้องความจมความหวั่นไหวความลวงตันหาอันทําให้สัตว์เกิดตันหาอันทําให้เกี่ยวข้องกับทุกขตันหาที่เย็บเอาไว้ตันหาเหมือนตาข่ายตันหาเหมือนแม่น้ําตันหาอันเกาะเกี่ยวในอารมณ์ต่างๆความเป็นผู้หลับ แสดงว่าถูกตัณหาครอบงมนี้หลับสนิทเนี่ยนะหลับจากปัญญานะตื่นในโลกของโลภะว่างั้นตัณหาอันแพ่ไปตัณหาอันให้อายุเสื่อมตัณหาที่เป็นเหมือนกับเพื่อนสองความตั้งไว้ตัณหาอันนําไปในภพตัณหาดังต่าตัณหาดังหมู่ไม้ในต่าความสนิทสนมความรักความเพ่งความผูกพันความหวังกิริยาที่หวังความเป็นผู้หวังความหวังในรูปความหวังในเสียงความหวังในกลิ่น ความหวังในรถความหวังในโพธัพัะความหวังในลาบหวังในทรัพย์หวังในบุตรหวังในชีวิตความชอบชอบทั่วชอบเฉพาะกิริยาที่ชอบความเป็นผู้ชอบความโลภมากกิริยาที่โลภมากความเป็นผู้โลภมากความที่ตันหาหวั่นไหวความเป็นผู้ไม่ใคร่ดีความกำหนัดในอธรรมความกำหนัดไม่สมำเสมอความโลภไม่สมำเสมอ ความใคร์กิริยาที่ใคร่ความปรารถนาความทะเยอทะยานความปรารถนาดีกาธรมตันหาภวะตันหาวิภาวะตันหาตันหาในรูปประพบในอรูปประพบตันหาในวิในนิโรธคือเรานิโรธตันหาคือในความดับรูปตันหาสัทธตันหาคันธาตันหาระสะตันหาโพธิภะตันหาธรรมตันหากิเลสที่เราโอคะโยคะคันธะ ความถือมัน่นนิวนลความบังความปิดความผูกความเศร้ามองอนุสัยปริยุทธฐานตัญหาเหมือนถาวนความปรารถนาต่างๆตัญหานี่แหละคือมูลแห่งทุกเหตุแห่งทุกแดนแห่งทุกบ่วงมานเบ็ดมานอำนาจมานที่อยู่ของมานเครื่องผูกของมานแม่น้ําคือตัญหาตาข่ายคือตัญหาโซ่คือตัญหาทะเลมหาสมุทรคือตัญหากว้างใหญ่จริงจริงนะ อภิชาโลภะอากุศลโมลท่านเรียกว่าตันหาที่เกาะเกี่ยวก็ยุ่งเหมือนกอไผ่ฉะนั้นอู้ชื่อมันยาวเหลือเกินเนี่ยตันหาภาษาที่บทอธิบายไว้ร้อยแบบคํานี่ยชอบของเราก็รู้ว่าชอบโลภยินดีเพื่อเพลินรู้ไม่กี่คำนะภาษาที่บทท่านบอกว่าร้อยกับคํามันตันหาเหล่านี้เรียกว่าวิสัทธิกาเพราะอะไรเพราะแผ่ไปกว้างขวางซึมซาบครอบงํานําพิษไปกล่าวให้ผิดมีราบเป็นพิษมีผลเป็นพิษ นะมีการบริโภคเป็นพิษสรุปว่าตันหานี่ก็เหมือนกับกอไผ่เนี่ยนะเหมือนกับกอไผ่ฉันใดพุ่มไผ่เนี่ยนะพุ่มไม้ไผ่ท่านเรียกว่าไม้ไผ่หนอไม้อ่อนทั้งหลายพุ่มไม้ไผ่ไม่เกี่ยวข้องไม่ติดไม่พัวพันออกไปออกไปพ้นฉันใด ความขัดข้องด้วยอำนาจตันหาความขัดข้องด้วยอำนาจทิฏฐิพระปเจกพุทธเจ้าละความขัดข้องด้วยอำนาจตันหาสละคืนความขัดข้องด้วยอำนาจทิฏฐิเสียแล้วเพราะเป็นผู้ละความขัดข ah ้องด้วยอำนาจตันหาเพราะความเป็นผู้สละคืนความขัดข้องด้วยอำนาจทิฏฐิ พระปจเจกพระพุทธเจ้านั้นไม่ขัดข้องในรูปเสียงกลิ่นรสโรพธพภะไม่ข้องไม่ถือไม่ยึดไม่พัวพันในสกุลคณะอาวาสลาบยศสรเสริญสุขจีวลบินธบาศเสนาสนะขิลานะปัจจัยเภสัิบริขารการมาทารูปธาตุอรมณธาตุการมภพบรูปพบอารประพบสัญญาพ อสัญญาภพเนวสัญญานาสัญญาภพเอกวการภพจตวการภพปัญจวการภพพระประเจกไม่ติดข้องในอดีตอนาคตปัจจุบันรูปที่เห็นเสียงที่ฟังอารมณ์ที่ทราบในธรรมอารมณ์ที่รู้แจง้งท่านสลัดออกไปสลัดออกพ้นไปไม่เกี่ยวข้องทำจิตมีจิตอันธรมไม่ให้มีเขตแดนอยู่ฉะนั้นเพราะฉะนั้นเรียกว่าท่านไม่ขัดข้องเหมือนหน่อไม้ไผ่เพลงทเที่ยวไปแต่ผู้เดียวดุดหน่อแรก สรุปว่าพระปัจเจกพุทธเจ้ารูปนี้พิจารณาไม่ไผ่และบรรลุว่า ง, งั้นเถอะผู้ไม้ไผ่เกี่ยวข้องกันฉันใดตั้หาในบุตรพริยาทั้งหลายกว้างขวางเกี่ยวข้องกันฉันนั้นพระปัจเจกสัมพุทธเจ้าไม่ติดข้องเหมือนหน่อไม้ไผ่เพิ่งเที่ยวไปแต่ผู้เดียวดุดหน่อแรกอันเห็นหน่อไม้เมื่อไหร่นะฉันแกงหน่อไม้เมื่อไหรก่ก็พระปัจเจกก็เหมือนหน่อไม้อ ย, อย่างนี้แล้วว่ ง, งั้นนะก็ <c oughs> พระประเจกะพุทธเจ้าทั้งหลายตรัสรู้ธรรมเป็นที่พ้นทุกข์แล้วฉันใดขอเราทั้งหลายพึ่งเป็นผู้ตรัสรู้ธรรมเป็นที่พ้นทุกข์ตามพระประเจกขพุทธเจ้าเหล่านั้นทุกคนวันนี้ใช้เวลาแต่เพียงเท่านี้